การปฏิบัติกรรมฐานในวงกว้างที่คณาจารย์สอนกรรมฐานมาอยู่ในวงจํากัดจําเคียอา้าวถ้าใครเรียนมาแบบไหนใครไม่ทำอย่างเราก็ใช้การไม่ได้เข้าใจผิดทั้งเพลเลยอารมณ์กรรมฐานที่เราจับปฏิบัติเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วถ้าจะมีคำถามว่า อยากปฏิบัติสมาธิจะทาอย่างไรหลักก็คือว่าการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปบังคับจิตเวลาเราทำอะไรการทำการพูดการคิดเอาสติอย่างเดียวเท่านั้นเรายืนเดินนั่งนอนรับประทาน ดื่มทำพูดคิดเอาสติตามรู้ไปตลอดเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรอย่าไปห้ามมันปล่อยมันไปเลยคนที่มีความรู้หรือนักธุรกิจนักทำงานเนี่ยนอนหลับปุ๊บเป็นไม่มีนอนลงไปต้องคิดโน่นคิดนี่ปล่อยให้คิดไปเลยเอาสติตัวเดียวกาหนดรู้รู้ความคิด รู้ตรงที่มันเกิดความคิดเท่านั้นความคิดนั้นมันคิดเรื่องอะไรอย่าไปสนใจให้มีลักษณะเหมือนเหมือนกับว่าเรานอนนั่งหลับตามีใครมาแตะกายเราปับ๊บเรารู้เพียงแต่ว่ามีสิ่งสัมผัสเท่านั้นสิ่งนั้นคืออะไรอย่าไปสนใจความคิดของเรานี่ก็เหมือนกันตอนนี้มันสังเกตง่าย ถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังเพียงพอพอคิดขึ้นมาปับ๊บเรากําหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีปล่อยให้หยุดถ้าคิดปับ๊บเรารู้หยุดเรารู้ไล่าตามกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราคิดแล้วเรากําหนดรู้เขาไม่ยอมหยุดจะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดนั่นแสดงว่าจิตมีพลังงานเพียงพอปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติ ลิกปัญหาให้เป็นปัญญาเมื่อจิตคิดฟุ้งซ่านสเปะสปะมันกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงนั่นแหละเราเอาสติรู้อย่างเดียวทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วบางทีมันก็ฝันว่ายังคิดอยู่อย่างนั้นแหละเช่นอย่างสมมุติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการธุรกิจของเราเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกพอนอนหลับปับ๊บหลับลงไป จิตมันจะคิดของมันเองทีเนี้มันคิดสเปะสปะไปพอถึงจุดจุดหนึ่งมันจะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งไหวตัวปับ๊บปัญหาที่ข้องใจเนี่ยจิตมันจะแก้ของมันได้ในเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปถ้าเราอยู่ว่างๆนะ่ะมีปัญหาอะไรเราอยู่ว่างๆปล่อยให้จิตมันคิดปรุงแต่งไปตั้งปัญหาถามไว้เสียก่อน ว่าปัญหาเนี้ยเราจะแก้อย่างไรแค่นั้นก็หยุดแล้วก็ปล่อยให้จิตมันคิดไปเราเอาสติตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปประเดี๋ยวพอมันมีพลังของมันขึ้นมาแล้วมันจะแก้ของมันเองธรรมชาติของจิตมันต้องคิดอยู่แล้วห้ามมันไม่ได้ความคิดเป็นอาหารของจิต กายของเรามีอาหารที่เรารับประทานเป็นอาหารเลี้ยงมันแต่ว่าจิตของเราเนี้ยมีความคิดเป็นเครื่องเลี้ยงมันทีนี้เราจะเอาประโยชน์จากความคิดเราพยายามทำจิตของเราให้มีสติมากขึ้นมากขึ้นแค่นี้เองหลักการปฏิบัติถ้าเราเพียงแต่จะสร้างให้จิตของเรามีพลังงานเฉยเฉยนี้เรากำหนดรู้ความคิดของเราเรื่อยไป เอาสติรู้ความคิดอันนี้เราจะได้พลังงานมาสนับสนุนเรื่องกิจการอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแต่ถ้าจะเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อพ้นบาปพ้นกรรมพ้นกิเลสให้มีศีลห้าข้อเท่านั้นหมดปัญหา